ผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาคจิตวิทยาคคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุ้ยสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านทุกฟังทั้งสองสถานีด้วยครับผมค่ะก็ทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลค่ะลุงแล้วก็ am 1386นะคะ ก็เป็นแฟนรายการของเรานะคะช่วงเวลาของเราค่ะในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะวันศุกร์ใช่ไหมตีสี่ครึ่งถึง4ีห้ากำลังตื่นมาเลยค่ะลุงคะตื่นมาปุ๊บเปิดฟังเราสคนเปิดก่อนเลยอืมเราพรองว่าได้อะไรดีแน่นอนค่ะครับผมฟังแล้วไม่ซ้ำซากจําเจแน่นอนลุงเพราะว่าอย่างครา้ที่แล้วก็สนุกนะลุงว่าเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สนุกสนานดีครั้งที่เราเราก็มาเตือนคุณลุงฟังว่าให้คิดก่อนที่จะโพส์หรือว่าจะระบายความรู้สึกอะไรไปก็แล้วแต่นะคะ คราวนี้ค่ะปัจจุบันนี้ลุงลุงเห็นสาวโสวดเยอะไหมคะหนุ่มโสดก็เยอะโอสาวโสวดเยอะมากมสมัยลุงสมัยลุงสมัยนั้นสางเขาแต่างงานกันหมดไหมแต่างงานกันเยอะมากแทนแทนการอยู่คนเดียว <laughs> โอเห็นไหมเขาว่ามันกลับตาลปัดกันกลับตาลปัดนะตอนนี้นะคนแต่งงานน้อยมาก ครับและขนาดเดวกาสาวสวก็คือเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความสามารถที่มไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วไงหนุ่มโสดก็เหมือนกันลุงบางทีเขาก็ เ, เรื่องที่จะอยู่อยู่คนเดียวมันอาจจะสบายตัวสบายใจครับเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังลองเช็คตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะ วันนี้เรามีสัญญาณาบอกว่าคุณผู้ฟังในชอบอยู่คนเดียวไหมเออดีดีแน่หรือว่าอยากจะอยู่เป็นคู่หรือว่าจริงๆเราเราชอบอยู่คนเดียวเราก็เลยเป็นโสดหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ลองเช็ค ก, กันดูค่ะพร้อมๆกับเราสองคนจะมาเช็คให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะคปกติรุ่งยุ้ยเนี่ยชอบอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่เงียบเงียบไหมคะในหมายถึงว่าในบางมุมบางเวลาอย่างเงี้ยค่ะบางมุมบางเวลาชอบเลยเหรเพราะว่านักจิตวิทยาชอบอยู่คนเดียวไหมคะเออ เออจะบอกยังไงดีเขาก็ก็มีส่วนหนึ่งนะที่จริงไม่ต้องนั่งจิวยาหรอกถึงว่าทุกคนอนะ่ะมันจะต้องมีมีสเปซของตัวเองที่เป็นเป็นเรื่องของตัวเองที่อยากที่จะว่างๆไว้อะค่ะนะครับเพราะนั้นก็เลยการอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องที่ที่มุมหนึ่งต้องมีนะสําหรับลุงในความคิดของทุกคนแล้วมันเป็นมุมใหญ่ไหมคะหมายถึงว่าชอบถ้ามีโอกาสปุ๊บฉันจะอยู่คนเดียวหรือว่ามันเป็นมุมเล็กๆในชีวิตประจําวันของลุง ลุงว่าไม่ไม่ใหญ่แต่ถ้าคนที่อยากอยู่คนเดียวเยอะๆเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะข้อดีของการอยู่คนเดียวลุงคิดว่ามีอะไรบ้างคะอ่านะครับหนึ่งไม่วุ่นวายกับใครได้แน่นอนนี้ที่อาจจะตอบได้ดีเดี๋ยวลุงช่วยได้เลยนะอ่าลุงคิดว่ามันไม่วุ่นวายกับใครเนาะนะครับสบายใจอ่ะอยากทำอะไรก็ได้ทาค่ะเห็นไหมครับค่ะนะมันอะไรได้อีกอ่ะ มีความคิดเป็นของตัวเองสะดอืมค่น้องดีบ <das ky> ้างน้องดีบ้างก็ที่ลุงพูดมามันก็คือสิ่งที่ทีคิดทั้งหมดมันสบายตัวมันสบายใจมันมีเวลาทำอะไรที่เราอยากจะทำใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นมุมหนึ่งของการ มีความสุขของการได้หรือข้อดีที่ได้อยู่กับตัวเองเนาะค่ะแล้วบางทีอยู่คนเดียวมันด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายมีเงินเหลือใช้ อ, อ, อยากซื้ออะไรก็ได้เออคิดถึงคนอื่นน้อยลงอ่อหรือว่าแม้กระทั่งเกิดวันดีคืนดีวันเสาร์วอาทิตย์นี่ว่างเลยว่าจับเสื้อใส่กระเป๋า<ไ>ปแล้วก็ไปต่างจังหวัดสักสามวันสบายใจไม่ต้องไปรอใครแล้วข้อเสียล่ะคะลุงที่ว่ามันเหงา <g ülme> อ่ามีเหงามาแล้วมีเหงาวันละทำ <c ười> ไมก็มีไม่มีเพื่อนคุ้่คิดอ่านะครับ อ, อ, อาจาอจะเหงาอาจจะการอยู่คนเดียวทําให้เราความคิดของเราเนี่ยซึ่งเราคิดว่าถูกบางทีมันไม่มีคนมาแชร์ความคิดก็เลยทําให้เราอาจจะไม่ถูกก็ได้คือบางทีเราอาจจะคิดคิดมากคิดคิดเยอะค่ะคิดมาก <c oughs> คิดแล้วคิดอีกเพราะเรากลัวมันจะผิดพลาดใช่ หรือแม้จากเรื่องของการคิดที่เราคิดว่าอย่างนี้ดีแล้วแล้วไม่มีคนมาคอยคอยเบรคความคิดหรือว่า<ม>คิดอีกมุมหนึ่งไงครับค่ะแล้วบางทีคนที่ชอบอยู่คนเดียวคิดอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาะจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเกินไปเหมือนกันนะคะ เ, เพราะว่าเขาตัดสินทุกอย่างด้วยชีวิตเขาเองเขามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีผลไหมคะมันมีผลครับมันมีผลเพราะว่าเวลาที่เขา ทำอะไรแล้วเขามีความสุขกับการที่ได้อยู่คนเดียวหรือได้คิดคนเดียวพอเวลาที่มันต้องไปอยู่ในสังคมถูกไหมพอเวลาที่ใครเ อ, อ่ยปากอะไรมาเนี่ยถ้าเขามีวระญาตหน่อยเขายังไม่โผล่ อ, ออกไปหรอกอืแต่ในความคิดนั้นนะ่ะเขาอาจจะคิดว่าไม่เห็นได้เรื่องเลยค่ะเห็นไหมครับค่ะแล้วแต่ถ้าบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอํานาจสักหน่อยหนึ่งหรือว่ามีมีอํานาจในการตัดสินใจเขาอาจจะบอกว่าโอเคความคิดของคุณเก็บไว้ก่อนเลยเนะอันนี้ยผมว่าไม่ได้เรื่องอะ่ะ มันจะกลายเป็นการฉีกหน้าเพื่อนร่วมงานคือบางทีพื้นฐานครอบครัวเดี๋ยวนี้ก็จะมีลูกกันน้อยอที่พูดถึงตัวทีแล้วกันนะที่เป็นลูกคนเดียวอืเพราะฉะนั้นถ้าว่างๆที่ชอบอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่คนเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กอยู่คนเดียวมัตั้งเด็กนอนคนเดียวมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งตรงนี้คือเรื่องปกติที่เราทำมันชินแล้วก็มีความสุขกินข้าวคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้ในขณะซี่บางคนเขาอาจจะ มีลูกหลายๆคนครับ อ, อ, อย่างเพื่อนทีบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยไปนั่งกินข้าวคนเดียวนะเขาดูนับคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยเราอาจจะตกใจว่าเอา้าทำไมทําไม่ได้เพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดอืมอันนี้แสดงว่าพื้นฐานครอบครัวขนาดครอบครัวมันก็มีผลใช่ไหมคะการอบรมเลี้ยงดูครับมีผลเนาะนะครับแล้วก็ตำแหน่ง ของการเป็นลูกคนโตคนการคน <ứng? S 2> เล็กหรือลูกคนเดียวมันมีผลเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็จะทําให้เรามีร่รงส่วนตัวค่อนข้างสูงอ่าใช่ครับอันนี้ใช่เลยอันนี้วัดจากตัวเองนะคะได้ใช่เลยครับแล้วก็จะเข้ากับคนอื่นได้ยากไหมหมายถึงว่าถ้าด้วยเรื่องงานก็สามารถแต่ถ้าจะเป็นเพื่อนเราถ้าจะต้องเข้าไปสนิทด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเข้ายากหรือว่าอาจจะต้องชอบคบคนคล้ายๆกันนิสัยมันเหมือนกันจริงๆรุงคิด<ช>ว่าลุงคิดว่ายังไงคะ คือลุงลุงตั้งคำถามถาม <c oughs> ทีคือเป น, นิดนึงว่าสมมุตินะที่เคยอยู่คนเดียวที่บ้านอะไรเงรี้ยวันเสาร์อวอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบ้าน <c oughs> ถ้ามาประเดียวประดาวเนี่ยทีโอเคใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเขามาแล้วอาทิตย์ห <c oughs> ้ก็มา <c oughs> อาทิตยนะ์หน้าก็มา เริ่มอึดอัดไหมใช่เพราะว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวสมมุติว่าถ้าเป็นทีกับพ่อแม่เป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหวงพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะคะเออเออเออใชออ่ก็จะไม่ค่อยว่าถ้าไม่จำเป็นก็มันก็คือครอบครัวเราอะ่ะเราก็อยากจะอยู่กันแบบ อันที่อาจจะมีเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ทีนั่งแล้วสบายใจแล้วอยู่ๆก็มีคนอย่ด้วยด้วยอะไรอาเงี้ยค่ะมันอาจจะทำอะไรก็ได้เพราะมันคือพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่ามันมีจากหลักหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะที่จะทำให้เราชอบการอยู่คนเดียวหรือว่าบางทีก็ โสดแบบไม่ตั้งใจหรือตั้งใจจะโสดนะค ะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วกันนะคะลุงว่าช่วงของเบรกที่สองอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรเราจะมาบอกว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่จะบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนะคะ mm hmm. แล้วก็เพราะอะไรปัจจุบันนี้ถึงมีแนวโน้มของคนโสดกันมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม AMU t s moving towards innovative university. ยังคงมีแค่เธอและต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกายตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปชื่อเธอความรักไม่เคยห่างหายอน oh no มันสถิตอยู่ในใจใชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างเรื่องเบาดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอ ทาให้ช่วยมีกล้า คงรูดียังคงไม่ ฉัา ทำให้เวลา hẹn gặp i n h n h à ทุกวัน o o t a y c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 กลับ ม, มาพบกับช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงว่าเราจะมีสัญญาณอะไรหนะ้าที่บอกกับเราได้ว่าเราชอบกันอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็บางทีก็ เ, <อ>เป็นสาเหตุที่ทําให้เราโสดจนถึงทุกวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาเช็ค <c oughs> มาเช็คสัญญาณไปพร้อมๆกันนะคะลุงสัญญาณ <c oughs> อะไรคะลุงมีสัญญาณอะไรบ้างที่ลุงคิดว่าเอ๊ะเราชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่มันจะบ่งบอกเราได้อะคะอ่ะอันแรกเลยเนี่ยนะครับคือ คุณทําอะไรหรือว่าเอาง่ายๆกินข้าวคนเดียวได้โดยไม่มีปัญหากับอันนี้ที่ต้องเช็คผ่านละพอดีกินข้าวคนเดียวบ่อยใช่ไหมครับการนั่งกินคนเดียวแล้วก็ไม่มีรู้สว่ามันเป็นเรื่องปกติอ๋อใช่ขณะเดียกันคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาเขากลับมองไม่ปกตินะแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเพื่อนไปกินข้าวด้วยหรอแต่เรารู้สึกเราสบายใจอันเนี้ยเริ่มเช็คแต่ว่าลุค้าที่เป็นลูกคนเดียวตั้งแต่เด็กทีต้องนั่งกินข้าวคนเดียว มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ในขณะซึ่งถ้าคนอื่นที่เขาอยากโสดที่เขาโสดแล้ว เ, เขาอาจจะมีพี่น้องหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเขาคืกินกันหลายๆคนแล้วเขากินคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะลุงอันนี้มันก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มต้องเป็นสัญญาแล้วละ่ะถูกไหมอันนี้ก็เป็นสัญญาแล้วว่าเอเก็ในเมื่อมีเพื่อนมีพี่น้องอยู่ทั้งหลายคนแต่ทําไมเรารู้สึกว่าอยากอยากออกมา alone อยากออกมาคนเดียวล่ะค่ะนะครับอ่กินข้าวอยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหา เป็นหนึ่งสัญญาละหนึ่งละหนึ่งละสองเริ่มอึดอัดถ้าต้องมีใครไปไหนมาไหนกับเราด้วยเป็นไม่เอ่ยนะฮะก็นี่ตรงนี้ก็เป็ที่เป็นอย่างลุงเป็นอีกแล้วฉันเคยเป็นไหนตอนไหนคนเดยวแล้วพอมีใครไปด้วยถ้าเป็นชั่วครั้งชั่วยามไม่ว่ากันแต่ถ้ามาหามากับเราขอกลับบ้านด้วยก็แล้วกันนะทุกวันเลยเนี่ยเราเริ่มละเราเริ่มรู้สึก ไม่ไ ม, ไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะค่ะนะครับถึงแม่อันนี้เป็นค่ะเป็นเป็นเราโอเคนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะถนหัดกับการใช้ชีวิตคนเดียวไงขับรถคนเดียวไปไหนคนเดียวคะ่ะพอมีคนอื่นอยู่ด้วยก็อาจจะอึดอัดถ้ามันบ่อยๆ อ, อะไรอย่างเงี้นะคะอ่าเห็นไหมมันก็มาต่อด้วยข้อต่อไปเลยคือมันไม่อินกับคนการที่มีคนอยู่ข้างๆอ่ะยังไงอะค่ะลุงเปช่นเป็เช่น อย่างที่บอกเวลาเราไปไหนเราไปคนเดียวได้แล้วก็มีคนมาเอาสมมุติว่าเกิดมีคนมาจีบน้องทีค่ะและน้องทีเริ่มรู้สึกว่าํำทานมากกว่าชอบอะ่ะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออไม่ชอบอะ่ะอ๋ออันนั้นเราก็จะ<ต>รู้ไงคะลุงว่าเราชอบหรือเราจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็น ทีกาลังนึกถึงว่าถ้าเป็นทีนะคะสมมุติว่าเป็นเ<อ>พื่อนทีไปนั่งกินไปนั่งกินข้าวไปไหนมาไหนกับทีด้วยทีรู้สึกไม่อึดอัดเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นซึ่งเราอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนเพื่อนเราไม่สามารถคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปไหนมาไหนกับเราด้วยอย่างเงี้ยทีอึดอัดเพราะธ<ช>ีไม่รู้จักเขาแต่ว่าไม่อินกับคนข้างๆหรือเปล่าใช่ใช่สามข้อนี้ตรงหมดเลยนะ ่แล้วค่ะมีอีกไหมคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ลุงเอ่ไม่อีกมีอีกนะครัเวลาไปไหนไม่ค่อยชวนคนอื่นอะ่ะหรืออยากจะไปก็เดินดุย ด, ยดยูไปเลยเพื่อนก็นั่งอยู่เต็มแล้วแต่มีความรู้สึกว่ า, าก็ฉันจะไปอะ่ะคนอื่นจะไปเป่าไม่รู้ก็เป็นนะคะ เพราะว่ามันสะดวกในมุมมองของที่นะที่คิดแต่ว่าสมมติว่านั่งอยู่กับเพื่อนหลายๆคนแล้วที่ต้องไปซื้ออะไรสักอย่างหรือต้องไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่คิดว่ามันสะดวกมันคล่องตัวแล้วเราไปแป๊บเดียวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไห้ขณะเดียวกันบางทีเคยไหมที่นั่งๆั่งอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากไปหามุมใดมุมหนึ่งนั่งคนเดียวให้มันสบายใจอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็น อันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นก็ถ้านั่งรวมกับคนอื่นค้าหัวเราอะไรก็ก็นั่งฟังได้อะไรอย่างเงี้ยนได้เราใครได้ใช่ไหมก็นั่งคุยได้ไม่ขนาดว่าจะต้องไปอยู่คนเดียวหามุมแบบคนเดียวถ้าไม่ได้มีธุระปะบังอะไรนะคะครับผมเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสัญญาณพอที่จะบ่งบอกแล้วสุดท้ายเลยคือค่ะไอ้สัญญาณทั้งหมดเนี่ยคนคนนั้นที่ทํามาหมดแล้วบอกว่าก็ปกติอะบอกว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้ที่น่าจะเป็น ใช่ไหอเพราะว่ามันเป็นแต่ที่ต้องบอกก่อนว่าที่เป็นลูกคนเดียวไงลุงทีต้องตัดสินใจคนเดียวคิดคนเดียว<ห>ไปซื้ออะไรได้คนเดียวกินข้าวคนเดียว อ, อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เด็กที่ทีทำมาถูกต้อง <c oughs> เพราะฉนั้นอันนี้มันก็บางทีมันก็ คนบางคนมันก็เป็นอุปนิสัยถูกไหมครับแต่ในบาก็อยากมีเพื่อนไปไม่ถึงว่าอ่าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่อยาดูอะไรแนไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมเพื่อนไปช่วยกันเลือกอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาผู้หญิงมันก็แล้วก็อย่างน้อยรู้กันรู้ว่าที่มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ไปออกกําลังกายไปทานข้าวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนที่ สนิทต้องสนิทจริงๆใช่ชอันนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนเราจริงๆที่คล้ายๆเราลักษณะคนที่เหมือนกันเราถึงจะคบกันเป็นเพื่อนได้ใช่ไหมคะลุงใช่ครับใช้ชีวิตคล้ายกันนะคะแล้วลุงคะคนที่ชอบอยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะคือเขามีโรคส่วนตัวสูงเราจะเข้าถึงยากหรือเราจะให้คนอื่นเข้าถึงเรายากไหมคะมันมันอยู่ที่ตัวเราอย่างเอายกยุงยางทีอะไรยงทีทีทีที่ว่าที่มีโรคส่วนตัวสูงนะ ที่มีโลกตุนตัวสูงก็จริงแต่ว่าเวลาที่อยู่คนเดียวแต่ว่าเวลาที่ที่ต้องทำงานหรืออยู่กับผู้คนที่ก็ไม่ได้อึดอาดอ่ะทีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสการที่มีรอยยิ้มที่ที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็โอภาภาสใสกับคนเนี่ยลุงถือว่าทีไม่ได้อยู่ในขั้นที่อยากจะอยู่คนเดียวอันนั้นมันในเรื่องของการทำงานไงคะลุง บางทีเราเลือกไม่ได้ทีที่พูดจากความคิดทีนะคะจากความรู้สึกใช่ไหมถ้าถ้าเป็นเรื่องของงานเรื่องของส่วนรวมอย่างเงี้ยทีจะอยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเลือกได้ถ้าเสร็จจากงานพักเสร็จปุ๊บทีชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงอะไรอย่างที้ยไป่ะเราอยู่กันเดียวมาตลอดอืมแต่ว่าเข้าถึงยากไหมก็ถ้าจะมาสนิทจริงๆอย่างเงี้ยคะลุงก็ก็ค่อนข้างเหมือนกัน คืออาจจะต้องอาจจะต้องสนิทอาจจะต้องดูถ้าถ้าต้องมาเป็นเพื่อนสนิทถ้าต้องมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมุนเ่ที่ลุงกําลังขอดตอนนี้ว่าลุงกําลังจะบอกว่าไอ้คนที่มันมาเนี่ยที่มีความรู้มันเกกกาใมันก็ไม่เชิงลุงแต่ว่าเเออมันก็ไม่เชิงแต่ว่าทีทีที่คิดว่าทอเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงครับสูงแต่ว่าทีรู้ว่า มุมไหนที่ที่จะเป็นโลกส่วนตัวของทีมากกว่าคือทีไม่ขนาด อ, อ, อินดี้ว่าเ อ, อทุกมุมทุกอย่างทีทำอะไรได้สนใจใคร อ, อ, อ, อ, อะไรประมาณนั้นนะคะลุงคะแล้วถ้าเราอยากเปิดรับใครสักคนหนึ่งครับเข้ามาในชีวิต <c oughs> คือกําลังบอกว่าเออเราเช็คสัญญาณทุกอย่างแล้วเรากับเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่วันนี้เราอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตรวนะเราต้องเริ่มจากอะไรดีคะลุงเราต้องเริ่มเปิดใจดีกว่า อางคำว่าเปิดใจไหมครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเป็นคนที่ปิดแล้วเรามีความรู้สึกเรามีความสุข ก, กับตรงนั้นถ้าเราเปิดใจยอมรับใครเข้ามาแล้วถามตัวเองว่าเออมันก็มีความสุขเหมือนกันนี่อันนั้นแหละเป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มที่อยากจะคบผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวเองละนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะสําหรับคนโสด ลุมเรากำลางกันสำหรับคนโสดนิดนึงว่าถ้าเกิดอยากที่จะมีแฟนหรือว่าจะมีใครเข้ามาชีวิตต้องดูอะไรบ้างดีคะโอนะคันี่สำหรับคนแบบนี้ต้องดูเยอะเหมือนกันเนาะค่ะนะครับคือต้องดูรายละเอียดของคนที่เขาจะมาจีบนะครับรวมไปถึงบุคลิกท่าทางความจริงใจความเอาใจใส่เรามากน้อยแค่ไหนแต่ แต่อย่าอย่าเข้ามาก้าวกลชีวิตเราอย่ามาทำให้เราอึดอัดใช่ครับอย่างเงี้ยเราคือยู่ได้นพื้นที่ส่วนตัวใช่อยู่ได้ในระดับหนึ่งอยู่ได้ในระดับหนึ่งก่อนแต่ถ้าบอกว่าระดับนั้นที่มีความรู้สึกว่าโอเคอยู่ได้แล้วมันอาจจะก้าวเข้ามาได้อีกก้าวหนึ่งสองก้าวไปเรื่อยๆอันนี้ลุงบอกคุณผู้ฟังใช่ไหมคบไม่ใช่บอกทีบอกทั้งผู้ฟังทั้งหมดด้วยบวกน้องทีด้วย ก็เอามาฟังกันค่ะเป็นเรื่องอสัญญาณง่ายๆเลยบางคนเห็นคนโสดเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายบางทีอาจจะ<อ>ต้องคิดว่าเราชอบอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่ไม่เถอคะค่ะไม่ได้ทำอะไรเดือ ค, ครับ นะคะแต่ว่าเอ๊ะเราเช็คสัญญาแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าเราไม่ได้เปิดใจหรือเปล่าหรือ ว, ว่าไม่ได้มองหาใครแน่ถึงแบบว่าเปิดใจก่อนเป็นระดับแรกค่ะก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะก็เจอใครที่เราชอบก็ยิ้มไปก่อนอ่าแน่อ <c oughs> ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้เราไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอย่างนี้มีศรภาพในเพื่อนเอามาฝากกันค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะลุง ลกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะนาฬกานาทีถึง5้านาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะลุงยุ้ยนัทพง์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยา ก, กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่ง เน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รงังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผ่นไทยหัตถ บ, บำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลาย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 RMTT Radio ววว่่าาาาาากเเรรรอ RMUTT หห้้้้โลลไไไดดูมมมีจะทททสิิงนุแตยย มองคอนทันยา